อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย จากมิต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปมิไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่ง ศพ ส, สถานวิมานทองอย่าดูมินบาปกรรมจำนวนน้อยจักมิต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเกิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้น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 แต่การเข้าพรรษานี่ความหมายกว้างไกลกว่านั้นทุกคนนะต้องเข้าพรรษาคือเข้าสู่ความดีเข้าสู่การทำบุญเรียกว่าอะไรบุญเข้าพรรษาเพราะคนเรานี่มีชีวิตยืนยาวได้จนกระั่งถึงทุกวันนี้นี่ก็เพราะว่าบุญรักษาถือว่าเป็นโอกาสดีแล้ว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 ใจเราก็จะเย็นเพราะการให้อภั ย, ยการรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญศีลหศีล8เราเป็นฆราวาสญาติโยมแล้วก็ศีลห้าก็ได้ศีล8ก็ได้ศีลห้า น, นี่ระ ง, งับเวรภัยไม่เบียดเบียนคนให้เดือดร้อนศีล น, นี่ก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถ้าเรารักษาสินแปดนะก็เลือกเอาดีทั้งนั้นการรักษาสินก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันการภาวนาเนี่ยสมถะภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญการอา่อนอน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณอ่อนอน้อมถ่อมตนต่อผู้มีความรู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนฝูงของเราคนเราเนี่ย ไม่ค่อยจะอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรกันแต่ก่อนยกมือไหว้ใครการอ่อนน้อมถม่อมตนเนี่ยทั่งเป็นการละกิเลสตัวสำคัญเลยคือตัวมานะทิ่ฐิยิงพยองไม่ยอมใครเนี่ยถ้าเรามีการอ่อนน้อมถม่อมตนแล้วก็เท่ากับเป็นการลดละกิเลสที่เราว่ามานะทิฏฐิหรือตัวตนเนี่ยให้ลดน้อยลงไปตัวตนเราละน้อยลงไปเมื่อเรารู้จักไหว้อ่อนน้อมถม่อมตน การขนขวายรับใช้ผู้อื่นแื่อถือว่าเป็นบุญบุญเกิดจากการขนขวายรับใช้ในกิจการของคนอื่นอันนี้สาคัญนะคืออาสาสมัครรับใช้โดยที่ไม่ต้องเรียกร้องสิ่งตอบแทนลูกยางรับใช้เจ้านายลูกหลานรับใช้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เราเป็นพุทธศาสนิกชนรับใช้พุทธศาสนาขวนขวายรับใช้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใจเราก็จะเป็นบุญหรือจะแผ่ความดีอุทิศ ส, ส่วนกุศลเช่นเราไปทําความดีอะไรมาเราไปทําบุญอะไรมาแล้วก็อ้าวเอาความดีมาแผ่นะเอาบุญกุศลมาแผ่ให้เราทําบุญกุศลเราได้บุญอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาบุญ น, นั้นมาแผ่กุ่นเนี่ยอื่นก็ได้บุญไปด้วย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 เราอนุโมทนาปลบมือให้ยกย่องสารเสวนมันเป็นการลดละกิเลสตัวที่ว่าอิจฉาริษยาคนหลายคนเวลาใครไปทําบุญใครไปทําความดีเนี่ยทำไมรู้ไม่ชี้ไม่สนใจเนี่ยเราอิจฉาริษยาเขานะแต่เราพรอยินดีเอาละดีละสนับสนุนอนุโมทนาบุญด้วยอนุโมทนาความดีเห็นเขมีความสามารถปลอบมือกับเขาเนี่ยเราก็พรอยได้บุญไปด้วยเขาทําความดีเราก็พรอยยินดี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 เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นหน้ทางแห่งความดับทุกข์อันนี้เป็นบุญที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิบุญเกิดจากปัญญาไหมสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องข้อที่สําคัญมากทางความเห็นที้ถูกตรองกับความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นคํากลางๆนะเพราะว่าความเห็นถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็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 แต่เราลืมดูตัวเราลืมดูใจเราที่มีปัญหาเพราะว่าใจเราเนี่ยขาดสติขาดปัญญามองปัญหาไม่ถูกตรงกับความเป็นจริงใจเราจึงมีปัญหาอุปมาไมอย่างกับว่าฤดูการนี้เป็นฤดูฝ น, ก, นก็ย่อมมีฝนตกตามธรรมดาตกหนักตกเบาตกมากตกน้อยเนี่ยเป็นธรรมธรรมดเรามากักจะโทษว่าฝนนี่ตกลงมา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 ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้ามากระทบแล้วเนี่ยเราขาดสติปล่อยให้กิเลสมันไหลก็ามาทางตาทางหูมารั่วรวล จ, จิตใจให้เป็นทุกข์เราไม่เคยโทษตัวเองว่าเราขาดสติขาดปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบใจเลยต้องเป็นทุกข์ไม่เคยโทษใจเราเลยคนโน้นทําอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้เท่าทันในอาการเหล่านั้นเราเอาทิฐิ คือความขาดปัญญาของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาขาดสติขาดปัญญาข้อนี้สำคัญมากนะการทำความเห็นให้ถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการภาวนาการภาวนาคือการเจริญสติหาให้มีสติไว้ให้รู้สึกตัวไว้จะได้รู้เท่าทันกิเลสที่มากระทบทางตาทางหูให้กันไว้แค่นั้นไม่ให้รั่วลงสู่จิตใจของเรา เมื่อมีสติมากๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าอ๋อนี่สิ่งที่มากระทบทางตาทางหูนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้เราเป็นแค่รู้มันเฉยอันนี้เป็นการลดละกิเลสปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางแล้วก็แลแต่หน้าที่ที่เราต้องทาไป เราไม่ต้องกลับมาเวียนไหยตายเกิดอยู่ในโลกนี้ก็เพราะเรามีสติมีปัญญาเนี่ยเนี่ยบุญข้อนี้สําคัญมากสําคัญที่สุดเลยบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยราะเป็นยอดบุญเหนือทุกเลยก็ว่าได้สําคัญมากบุญอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะสั่งสมเอาไว้ทําให้มากๆทําให้บ่อยๆการสั่งสมบุญเนี่ยจะเป็นข้ออะก็ตามเนี่ยจะนํามาซึ่งความสุข โดยเฉพาบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยคือยอดบุญเหนือทุกชีวิตเราเนี่ยล่วงเลยมาจนทั้งถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราว่าเรานี่โชคดีละบุญรักษาชีวิตเราเนี่ยจนทั้งถึงวันนี้เนี่ยเราก็อย่าประมาทสั่งสมบุญต่อไปบาปอกุศลที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปนึกถึงแล้วเราก็อย่าทําสิ่งนั้นอีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ก็อย่าประมาท สังสมจะบุญไม่เสมอเสมอวันเล็กวลาน้อยเนี่ยคนฉลาดต้องใช้ชีวิตแบบสั่งสมบุญสั่งสมไปเรื่อยเรื่อยเื่อยอีไม่ใช่เนี่ยชีวิตเราก็เติมไปด้วยบุญนับบรนเวลาเนี่ยบุญก็จะมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความสุขแล้วก็พ้นจากความทุกข์ในที่สุดเขายกตัวอย่างสุภาษิต ท, ที่เป็นคํากลอนที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นอันนักประหลาดสั่งสมบ่มบุญบ่อย